ที่จริงแล้วการศึกษาธรรมนะนี่มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะนี่คนทั่วๆไปอย่างพวกเราคนไทยเกิดมามก็เกิดมาในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยคุ้นกับพระคุ้นกับวัดคุ้นกับประเพณีต่างๆจนกระทั่ง บ, บางทีเรานึกว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงเวลา คนไทยไปตดนคนต่างชาติถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางที่ตอบไม่ได้เราก็ชอบคิดว่าเราเกิดในสังคมแบบชาวพุทธเรารู้เรื่องของพระพุทธเจ้าดีรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าดีเหมือนเราเป็นคนไทยเราก็คิดว่าเราโชมวยไทยเก่งอีกหน่อยคนชาติอื่นเขาเรียนมวยไทยก็เก่งกว่าเราก็ได้เม่งเราอย่าไปนึกว่าการที่เราเกิดมาก็เจอพระเจอวัด มัจะทำให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงขึ้นมาตระับใดที่เรายัางไม่สามารถเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราได้เรายัางไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกการจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะต้องฝึกว่าจิตเป็นยังไงถึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าทั่วๆ่วไปนะในระดับเบื้องต้นก็คือมีความเคารพแน่นแฟ้นในพะรัตนตรยนะัยถือศีลห้าได้ ไม่เชื่ออะไรงมงายนอกหลักของศาสนาถ้าเรามีพื้นฐานแบบนี้ก็พอจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธได้แต่ถ้าจะดียิ่งกว่านั้นเราเป็นชาวพุทธแท้ๆได้นะเราต้องได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ต้องเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากพวกเราก็เป็นได้ถ้าพวกเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่าปฏิบัติแบบไหนถึงจะเป็นพระโสดาบัน แล้วก็เราลงมือปฏิบัติธทมให้สมควรแก่ทำหมายถึงขยันทมนานๆานทาทีก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะใจเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆความเชื่อถือความศรัทธาของเราจะแน่นแฟนไม่มีทางคลอนแคลนอีกต่อไปในความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนานะเป็นศาสนาที่ มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เนะ่อวันหนึ่งจะพ้นจากความทุกข์วันหนึ่งเข้าถึงความดับสนิทของความทุกข์เราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปในทางจิตใจนะในเบื้องต้นเนี่ยจะพ้นทุกข์ทางจิตใจต่อไปพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราก็พ้นทุกข์ทางร่างกายด้วย คนทั่วๆไปเนี่ยไม่เข้าใจนะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวมันยาวเราก็คิดว่าชีวิตของเรามีแค่ชีวิตทุกวันนี้แหละชีวิตนี้มีชีวิตเดียวเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันน่ากลัวแค่ไหนถ้าเราภาวนาบางคนจะได้รู้ได้เห็นรู้ว่าตายแล้วไปเกิดนะสัตว์นรกมีจริงๆเทวดามีจริงๆอะไรอย่างนี้ ถ้าเรารู้เราเห็นแบบนั้นได้เนะี่ยเราจะกลัวการทาบาปเราไม่กล้าทำหรอกถ้าเราจะขยันภาวนานี่พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถจะรู้จะเห็นแบบนั้นได้ภนะาวนาบางคนก็ไม่เห็นหรอกไม่ใช่ทุกคนที่ภาวนาจะเห็นเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อเต็มที่นะว่าเวียนป้ายตายเกิดมีจริงเหรืออนะไรเนี่ยก็เชื่อได้ไม่เต็มที่ใจมันไม่หลงนะ งั้เราจะไปดูเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมันก็ยังลําบากอยู่บางคนไม่เห็นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าพวกเราได้ศึกษานะแล้วเราจะเชื่อจริงจแน่นแฟ้นในพันธะตรายจริงๆก็คือเราลงมือปฏิบัติทำไปสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราเคยมีความทุกข์มากนะเราก็ทุกข์น้อยเราเคยทุกข์นานแล้วก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงจนวันหนึ่งเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันหายไปจากใจเรา ถ้าเราภาวนามไม่ได้แบบนี้เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าคำสอนของท่านดีจริงๆนะถึงเราไม่ได้เห็นชาติก่อนชาติหน้าไม่ได้เห็นนรกไม่ได้เห็นสวรรค์แต่เราได้เห็นความทุกข์มันตกหายไปจากใจเราเราก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันและเชื่อได้ดีด้วยเะฉะนั้นพวกเราต้องรู้ก่อนว่าที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อเราจะได้ไปสู่ความพ้นทุกข์ความทุกข์มันมาสู่ จิตใจของเราเพราะใจมันมีความอยากถ้าใจมันไม่มีความอยากใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกนะเวลาที่เราเกิดความอยากนาน า, นานชนิดขึ้นมาอยากดูหนังอยากฟังเพลงอยากกินของอร่อยอยากมีแฟนนะอยากแต่งงานอยากมีลูกอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนซีอนะไรนี้อยากมีเงินเดือนมากๆ ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นในใจเรานะความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจเราเสมอใจเราจะถูกพยี้นะถูกบีบถูกเข้นตลอดเวลาให้เราคอยสังเกตให้ดีเถอะอย่างเวลาความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยใจเราจะถูกบดขยี้ทันทีเลยมันจะบีบมันจะเข้นเนี่ยเราจะเห็นได้ต่อหน้าต่อตาเลยว่าเอทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจรงิงๆนะความทุกข์เข้ามาสู่ใจเมื่อใจมันมีความอยาก นี่จะไปห้ามใจไม่ให้อยากมันห้ามไม่ได้นะแต่คนอื่นแนละพวกเราต้องคอยสังเกตให้ดีเวลาเราอยากล้ว เ, เกิดความทุกข์นี่ให้การบ้านแล้วนะเราเรียนกันภาคปฏิบัติเราไม่ใช่เรียนแตบบ่ปริยัติเรียนแล้วก็เรียนจบสอบได้แล้วก็จบไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยเราจะจบเมื่อเราพ้นทุกข์จริงๆนี่หลวงพ่อให้การบ้านทุกคนไปปฏิบัติให้คอยรู้ทัน เวลาใจเรามีความอยากนะใช่มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไปค่อยสังเกตดูเถอะอยู่บ้านอยากมาฟังเทศกนะ็กระวนกระวายใจกลัวมาไม่ทันนะหรือกลัวมาไม่ถูกบางคนมาจากจังหวัดอื่นมาอยู่มาฟังเทศไปสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านนะถ้ากลับช้าเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะกลับลำบากอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยความอยากนะมันจะเกิดขึ้นทั้งวันเลยอยากตลอดเวลา อากาศร้อนก็อยากให้เย็นอากาศเย็นก็อยากให้มันร้อนหน่อยนะฝนไม่ตกก็อยากให้ตกฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเลยนะี่ใจเราจะมีแต่ความอยากทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับความอยากนี่จะหมุนติ้วติติ direct, ้วอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนถ้าเราคอยสังเกตคอยรู้ไปเราจะรู้โอ้ความทุกข์นี่มันมากมายเหลือเกินทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น น, นี่ค่อ ย, ค, อยค่อยสังเกตไป ถ้าเราสังเกตอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็จะเริ่มฉลาดขึ้นนะว่าออความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเรียกความอยากหรือตัวตัณหาเนะี่ยว่าเป็นตัวสมุทยัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดตัวทุกข์แต่อยู่ๆเราจะไปสั่งใจเราให้หมดความอยากเนี่ยทำไม่ได้นะมันมีวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทํำยังไงเราจะถอนความอยากออกจากใจให้หมดสิ้นไม่ให้มีความอยากเหลืออยู่ในใจ ตามใจที่เรายังไม่ได้พอวนาให้เต็มภูมินะใจเรายังเกิดความอยากขึ้นอยู่ตลอดเวลากระทั่งอยากปฏิบัติอยากดีอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานนั่นก็คือความอยากทั้งสิ้นเลยความอยากนะอยากเลวก็มีนะอยากดีๆก็มีนะอยากจะให้มันจบอยากให้มันว่างสารพัดจะอยากคนชั่วก็อยากไปแบบหนึ่งคนดีก็อยากไปอีกอย่างหนึ่งแต่ความอยากของคนชั่วก็ทาให้คนชั่วมีความทุกข์ ความอยากของคนดีก็ทำให้คนดีมีความทุกข์เหมือนกันเราค่อยๆสังเกตลงไปทุกคราวที่อยากนะไม่ว่าอยากดีหรืออยากชั่วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นที่ใจนะความอยากเป็นของห้ามไม่ได้นะแต่เดิมเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกนักปราดทั้งหลายนะเขาพยายามต่อสู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกนะที่คิดจะสู้คนอื่นก็คิดจะต่อสู้กับความอยากเหมือนกันเพราะมีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น คนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปเขาสู้กับความอยากด้วยวิธีใดนะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเขาก็ดิ้นรนเพื่อตอบสนองความอยากอยากจะกินก็หาอะไรกินอยากจะนอนก็หาอะไรนอนก็ได้ตอบสนองความอยากแล้วความอยากมันหายไปนะมันดับไปมันสบายใจงั้ น, นการตอบสนองความอยากเนี่ยเป็นวิธีแก้ความอยากขั้นต่ำที่สุดสัตว์มันก็ทาเป็นมันหิวมันก็ไปหาอะไรกินมันอยากกินมันไปกิน เรได้กินแล้วมันก็หายอยากหายอยากใจมันก็สบายเนี่ยการที่บางคนนะรุ่มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าไปดูหนังไปฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนตอบสนองตอบสนองความต้องการของใจใจก็สบายขึ้นมานี่การที่เราจะตอบสนองความต้องการตอบสนองความอยากเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นความอยากเรื่องที่หนึ่งตอบสนองเสร็จ เราก็เกิดความอยากเรื่องที่สองมาทันทีเลยอยากเรื่องที่สองตอบสนองเสร็จมันก็เกิดความอยากอันที่สามอีกละความอยากนี่เลยเกิดตลอดเวลาตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าท่านเลยเทียบบอกว่าห้วงน้ําหรือมหาสมุทรนะที่ใหญ่เหมือนตันหาเนี่ยยังไม่มีเลยเหมือนความอยากนี่ไม่มีเลยเพราะความอยากเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มเรียกว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มนะตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่หาย ไม่หายอยากหมดอยากเรื่องนี้ก็จะอยากเรื่องน้นนะยงยังเด็กอยู่ก็อยากเรียนหนังสือให้จบเรียนจบแล้วก็อยากทำงานนะมันก็มีอยากมารออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาอยากมีแฟนมีแฟนแล้วก็อยากแต่งงานแต่งงานแล้วอยากมีลูกมีลูกแล้วก็อยากให้ลูกเรียนเก่งๆอะไรอย่างี้ต่อไปตัวเราเองแก่เราก็ไม่อยากแก่ๆนะอยากให้มันไม่แก่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากให้มันไม่เจ็บ จะต้องตายอยากให้มันไม่ตายความอยากมันตั้งแต่เกิดจนตายนะมันหมุนอยู่อย่างเนี้ยตอบสนองเท่าไหร่เท่าไหร่นะไม่รู้จักจบจักสิน้นงั้นพวกนักปราชญาเขามองว่าถ้าเราวิ่งตอบสนองตันหานะเราก็ต้องเป็นทาตของตันหาเป็นทาตของความอยากไม่รู้จักจบจักสิน้นมันใช้เราทั้งวันทั้งคืนนะเวลาตันหามันสั่งงานเรามันเหมือนเจ้าหน่ายที่มองไม่เห็นตัวเป็นเจ้าหนายที่ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานะ เปนคนสั่งเราตลอดเวลาให้ทำมันนี้อย่าทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ถ้าเราตามใจมันเราสนองความอยากนะสนองตัณหาสนองคําสั่งของเจ้านายลึกๆเนี่ยมันจะให้รางวัลเราให้มีความสุขนิดๆแล้วก็สั่งงานชิ้นใหม่เลยให้อยากอย่างอื่นต่อแต่ถ้าเราไปฝืนมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้อย่างที่อยากนะีมันจะลงโทษเรานําความทุกข์มาให้ใจเราเนี่ยมันเป็นเจ้านายที่ร้ายที่สุดเลยนะ เป็นเจ้าหนายที่เรามองไม่เห็นตัวเป็นเจ้าหนายที่กดขี่เราอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราแต่ละคนเราก็นึกว่าเรามีอิสระมีเสรีภาพใครก็สั่งเราไม่ได้พ่อแม่เราก็สั่งเราไม่ได้สามีก็สั่งเราไม่ได้ใครๆก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่เราถูกความอยากนี่แหละกดขี่เราตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยคิดจะสู้กับมันเลยเพราะเราตกเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนเราให้รู้นะรู้ทันนะอย่าตกเป็นทาสของมัน พวกนักปราดอื่นๆเขาก็สอนเหมือนกันว่าอย่าเป็นธาตของตันหานี้ทำอย่างไรจะสู้กับตันหาได้คราวนี้แหละมันก็มาถึงพวกนักปราดทั้งหลายเขาก็คิดกันบางคนเขาแคคิดสู้ตันหานะมันอยากกินก็ทรมานมันไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนนะอยากสุขอยากสบายเหรอนั่งบนตะปูนั่งบนหนามันเลยให้มันไม่สุขไม่สบายเนี่ยมันต่างกับคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปพอมีความอยากนะมันก็สนองความอยากไปเรื่อยๆ พวกนักปราศที่คิดจะสู้กับความอยากเนยะก็ใช้วิธีทรมานตัวเองทรมานกายทรมานใจบังคับตัวเองฝืนอยากอย่างนี้ก็ไม่ทําอยากอย่างนี้ก็ไม่ทําอยากกินก็ไม่กินนะอยากนอนก็ไม่นอนอยากอะไรก็ไม่เอาสัอย่างหวังว่าวันหนึ่งจะชนะความอยากปรากฏว่ามันชนะไม่ได้หรอกความอยากมันก็เกิดขึ้นมาต้องสู้กันไปตลอดชีวิตเองเหนื่อยเหนื่อยยากลําเค็ญไม่สามารถที่จะเอาชนะความอยากได้ พอหมดเรื่องนี้มันก็ไป อ, อยากอย่างอื่นนะมันสุดท้ายมันคืออยากจะชนะความอยากเนี่ยมันอดอยากไม่ได้นะมันหมดความอยากไปไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละค้นพบวิธีที่จะถอนความอยากออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดท่านพบว่าถ้าเราเข้าใจนะมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายนี้ใจนี้นี่เอง ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของร่างกายอย่างท่องแท้เราก็จะหมดความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายถ้าเราเข้าใจความจริงของจิตใจอย่างท่องแท้เราจะหมดความอยากเกี่ยวกับจิตใจถ้ารา brethren, ูา้กายก็หมดอยากในกายรูร้ใจก็หมดอยากในใจรู้ตามความเป็นจริงก็คือการที่เห็นกายนี้ใจนี้นะเป็นของไม่เที่ยงเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เห็นกายนี้ใจนี้เป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะความอยากจะหายไปเลยจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องสู้กันนานอยู่กว่าใจจะเห็นความจริงทั้งหมดอย่างท่องแท้ได้ทีแรกมันก็จะเริ่มเห็นความจริงในกายในใจนี้ก่อนนะความจริงเบื้องต้นหรือปัญญาเบื้องต้นอ่ะมันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา กายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุใจนี้ก็เป็นแค่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งะถ้าได้ปัญญานี้เราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีร่างกายไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะถ้าเป็นปัญญาสูงขึ้นไปอีกเนยก็จะเริ่มเห็นความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วน พวกเรายังไม่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข kind of right? ์ล really kind of ้วนๆแต่เราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะเราก็เกิดความอยากอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันพ้นทุกข์เห็นไหมเพราะเราไม่รู้ความจริงในร่างกายเราก็เลยเกิดความอยากเกี่ยวกับร่างกายอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ ถ้าเราพอนาไปถึงจุดหนึ่งนะเห็นความจริงของร่างกายอย่างถ่องแท้อย่างพวกเราไม่เห็นเราจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยทุกข์บางสุขบางแต่ถ้าเราวันใดที่เราเห็นอย่างถ่องแท้นะจิตใจยอมรับนะว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขสุขไม่มีคนทั่วๆไปเวลาร่างกายมีทุกข์น้อยก็รู้สึกว่าร่างกายมีความสุขในความจริงมันแค่ทุกข์น้อยนะความทุกนะข์น่ะบีบคั้นร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ทุกๆอิริยาบถแต่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นนะถ้าเรารู้เราเห็นแจมแจ้งนะจิตจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อจิตหมดความยึดถือในร่างกายแล้วเนี่ยความอยากต่างๆที่เกี่ยวกับทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยจะไม่มีอีกเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าเราทําอย่างนั้นได้มันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะแล้วขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาเรียนรู้จนเห็นความจริงของจิต รู้ความจริงของจิตอย่า ง, งแจ่มแจ้งหลวงปู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือรู้ว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดความยึดถือจิตอย่างพวกเราตอนนี้เราเห็นว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขใช่ไหมเออถ้าเราภาวนาเต็มภูมแล้วนะเราจะไม่เห็นว่าเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขหรอกเราจะเห็นว่าจิตใจเนี่ยมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยมีแต่ทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์กับสุข พอเห็นว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆนก็จะหมดความยึดถือในจิตเมื่อหมดความยึดถือในจิตจะไม่มีความทุกข์อะไรที่เกี่ยวกับจิตใจอีกต่อไปะจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแน่กว่าที่เราจะเห็นความจริงของกายว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆกว่าจะเห็นความจริงของจิตว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเราต้อง ท, ทําวิปัสสนากรรมฐานนะต้องฝึกพาจิตใจของเราให้ได้เรียนรู้ความจรงิงพาจิตใจมาดูร่างกาย พาจิตใจมาเรียนรู้ความจริงในจิตใจว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะพามันดูของจริงวิธีที่จะให้เกิดปัญญาคือการรู้แจ้งเห็นจริงก็คือพาจิตใจนี่ให้ดูของจริงไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเองนะการที่เราคอยดูความจริงในกายคอยดูความจริงในจิตใจนี่แหละคือทางที่จะทําให้เราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าเราเห็นความจริงของกายถ้าเราเห็นความจริงของใจแล้วเนี่ย เรียกว่ามีปัญญาเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือถึงพระนิพพานถึงสภาวะที่สิ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยด้วยปัญญาปัญญานะั้นไม่ใช่ปัญญาฉลาดอย่างโลกโลกเราอาจจะเรียนหนังสือไม่เก่งนะเรียนจบป .6 เท่านั้นไม่เก่งอย่างคนอื่นเขาเขาได้ด็อ ก, ตออกเตอร์แต่เรามีปัญญาดอกเตอร์อาจจะไม่มีปัญญาในศาสนาพุทธก็ได้นะเรามีความรู้ป .6 แล้วอาจจะมีปัญญาในศาสนาพุทธก็ได้ ปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงของกายปัญญาที่เห็นความจริงของใจถ้าเราคอยสังเกตร่างกายบ่อยๆวันนึงก็เกิดเห็นความจริงของกายถ้าเราคอยสังเกตจิตใจของเราบ่อยๆวันหนึ่งเราก็จะเห็นความจริงของใจนะเราต้องดูบ่อยๆคอยสังเกตบ่อยๆเนี่ยปัญญามันมาจากการที่เราคอยคอยรู้คอยดูนะเห็นอย่างที่มันเป็นบ่อยๆจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริง ปัจจัยมันยอมรับความจร então, ิงมันหมดความยึดถือพอหมดความยึดถือนะมันจะหมดความอยากนะไม่อยากอะไรอีกต่อไปแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยความอยากจะไม่เกิดอีกแล้วนะความทุกข์ก็จะไม่มีอีกเลยนะความทุกข์ในใจจะไม่มีอีกเลยการที่เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่สาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ถ้าพวกเราที่บอกว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรนะสอนให้ทําอย่างไร เ, เราไม่รู้ตัวเนี้ยเราไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะอะไรเพราะว่าคําสอนที่ต่ํากว่านั้นนะอย่างเรื่องการทําทานาศาสนาอื่นก็มีการทําทานเรื่องรักษ า, าศีลศาสนาอื่นเขาก็มีศีลของเขาเรื่องการทําสมาธิาศาสนาอื่นก็มีเรื่องการทําสมาธิ สิ่งที่ทำให้พระพุ like ทธศาสนาต่างศาสนาอื่นอยู่ที่กา ร, การจเจริญปัญญาหรือการเห็นความจริงของกายของใจนี่เองงั้นถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะเห็นความจริงของกายของใจนะเราพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าเรารู้จักพระพุทธศาสนานะงั้นเรื่องที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในเรื่องนี่แหละว่าทำยังไงเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้ทายังไงเราจะเห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่เห็นเรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอก วิธีที่เราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยจุดสำคัญที่สุดนะก็คือจิตของเราจะต้องตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดหลุดจากโลกของความฝันหลุดออกจากการเพ่งจ้องควบคุมกายควบคุมใจเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราก็ต้องคอยรู้คอยดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงการจะเห็นว่าจริงๆร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงนั้น สิ่งแรกเลยที่จะขวางเราทําให้เราไม่สามารถเห็นตัวที่ขวางที่มากที่สุดนะก็คือความลืมเนื้อลืมตัวเวลาเราใจลอยด้วยจักใจลอยไหมใครเคยใจลอยบ้างมีไหม<อ>พวกที่ไม่เคยใจลอยพวกภาวนาไม่เป็นหรอกนะถ้าภาวนาเป็นเราเห็นว่าใจเราลอยเก่งมากเลยหนี้ทั้งวันเลยนะหนีแว้บแว้บแว้บไปเห็นรถติดท็วิ่งไปดูใจมันวิ่งไปดูแล้วนะ ได้ยินเสียงอะไรใจก็วิ่งไปฟังได้กลิ่นอะไรใจก็วิ่งไปดมกลิ่นนะมีอะไรมาถูกร่างกายนะใจก็วิ่งไปตรงที่สิ่งมากระทบนะหรือบางทีนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งแต่งใจหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกคนทั่วๆไปเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาเรารักตัวเองที่สุดแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดนี่แหละคือความอาภัพละ่ะ ความที่อาภาพที่สุดเลยของมนุษย์ทั้งหลายเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองต่อไปนี้นะถ้าเราอยากจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกตัวไว้อย่าลืมตัวคอยนะรู้สึกนะร่างกายของเรามีอยู่อย่าลืมมันไปจิตใจมีอยู่อย่าลืมมันไปเวลาเราเผลอไปคิดเวลาเราเผลอไปคิดสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่คิดใช่ไหแต่เราลืมตัวเราเอง งั้นเวลาใจไหลไปคิดเนี่ยลืมตัวเองเก่งที่สุดเลยนะงั้นคอยรู้สึกตัวนะคอยรู้สึกตัววิธีที่เราจะรู้สึกตัวได้ดีนะต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เวลาหัดใหม่ๆเนี่ยมันยังรู้สึกตัวไม่เป็นหรอกก็ต้องหัดกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งหัดพุดโทโธก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วเวลาใจมันหนีไปมันลืมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธดีๆใจหนีไปคิดต้องอ่นแล้วให้รู้ทันว่าใจมันหนีไป ไม่ชอบพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สบายๆเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วใจมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ทันรู้ทันว่าใจลอยไปแล้วรู้จักใจลอยไหมใจลอยลอยได้นะลอยตลอดเวลาหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูใจลอยใจที่หนีไปกิดต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวจะหยุดพูด สักแป๊บหนึ่งนะระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดนะเอา้าเริ่มคิดไหมเห็นไหมห้ามมันไม่ได้หรอกหลวงพ่อบอกว่าให้ห้ามอย่าให้มันคิดนะเป็นคำสั่งที่ทำไม่ได้เพราะจิตน่ะมันคิดตลอดวันแต่ที่ผ่านมานะจิตมันไปคิดแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยลองลองดูงสิไม่คิดไม่คิด เป็นไหมมันคิดเนื้อรู้ทันนะเวลาจิตมันคิดะถ้าเรารู้ทันเวลาจิตมันคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้กับจิตคิดเนเป็นศัตรูกันเมื่อไร่จิตรู้เกิดนะจิตคิดก็ดับเมื่อไร่จิตคิดเกิดจิตรู้ก็ดับจิตที่รู้ก็คือจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวเวลาจิตมันไปคิดเนยก็จะลืมเนื้อลืมตัวเวลาเราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมอย่างบางคราวเราคิดอะไรจนใจลอยรู้จักคิดจนเพลินไหม ยุงกัดเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมยุงกัดจนยุงอ้วนบินไม่ไหวละค่อยขันขันค่อยรู้สึกเนี่ยเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมในวิธีที่จะให้หลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยง่ายๆเลยก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดแล้นเราต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้รู้ลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆ เราไปพะจิตมันขยับตัวหนีไปคิดแวบบเรารู้เลยนะจิตไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวจิตยังหนีไปอย่างอื่นก็ได้ น, ะนีไปดูก็ได้หนีไปฟังก็ได้นะหนีไปดมกลิ่นหนีไปริมรถหนีไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้ใจเราเนี่ยหนีตลอดเวลานะไม่มีใครหนีเก่งเท่าใจของเราเองเพราะฉนั้นะเราคอยรู้ทันนะใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้ฝึกตัวนี้ให้มาก ถ้าใจหนีไปเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจเมื่อเราลืมกายเราลาืมใจแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องไม่ลืมกายลืมใจต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจบ่อยๆนะนนเราต้องฝึกนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ขอ15นาทีแต่ละวันนะไม่เอามากหรอกขอ15นาทีไหว้พระสวนมนต์สักสองสนาทีเวลาที่เหลือนะนั่งหายใจไปนั่งพุทโธไปก็ได้ แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปคิดนะซ้อมทุกวันทุกวันนะต่อไปใจจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดเข้าสู่ภาวะแห่งความตื่นทันทีที่ใจตื่นขึ้นมานะเราจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราตื่นแต่ร่างกายใจของเราไม่เคยตื่นเลยนะใจของเราหลับใจของเราฝันตลอดเวลาดังนั้นเราต้องซ้อมนะไม่งั้นเราจะไม่ได้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ไม้มคำว่าพุโทโธแปลว่าอะไร พุโทโธพุโทโธศาสนาพุทธนะพุทธนะเนี่ยพุทโธนะพุทธะเนะีคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะดงั้นถ้าใจเราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลับผู้ฝันเรายังไม่ใช่ชาวพุทธหรอกดังนั้นก็คอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ซ้อมทุกวันนะสักสินาทีต่อไปในเวลาหนึ่งเดือนในเวลาเดือนเดียวเท่านั้นอนะ่ะชีวิตเราจะเปลี่ยน คือสมาธิของเราจะเกิดขึ้นสมาธิเนี่ยไม่ใช่สงบแบบฤาษีชีไพรสมาธิของพระพุทธเจ้านะคือภาวะแห่งความรู้สึกตัวใจเราจะตื่นรู้สึกตัวร่างกายก็ตื่นจิตใจก็ตื่นบางครั้งร่างกายหลับจิตใจยังตื่นเลยเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ร่างกายกลนครอกครอกเลยนะร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวาสั่งร่างกายไม่ได้สั่งให้มันพลิกก็ไม่ได้สั่งให้กระดิกนิ้วยังไม่ได้เลยแต่ว่าจิตนี่มันรู้ตัวขึ้นมา จิตมันตื่นร่างกายยังไม่ตื่นเลยแล้วเราต้องฝึกบ่อยๆเชลีทั้งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานะค่อยๆฝึกไปทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใจหนีไปคิดรู้ทันหรือหายใจก็ได้หายใจแล้วใจหนีไปคิดเลารู้ทันนะรู้บ่อยๆศัตรูเบอหนึ่งที่ทําให้เรามองความจริงของกายของใจไม่ได้ก็คือการลืมกายลืมใจ ศเบอร์สองคือการบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจเอาต่อไปทุกคนให้นั่งสมาธิเอาเริ่มนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งสังเกตไหมเราขยับตัวล้วเอาหลวงพ่อหลอกให้นั่งหลอกนะลืมตา <c oughs> ทันทีที่หลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่พวกเราทําคืออะไร ดัดแปลงร่างกายวางฟอร์มทางกายพอระาว่างฟอร์มทางร่างกายเสร็จเราจะวางฟอร์มทางใจทำคลุ้มๆเนี่ยพอขลุ่มได้ที่แล้วก็บอกว่าปฏิบัติอยู่ความจริงกำลังหลงอยู่นะกำลังหลงอยู่เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เลยเพราะว่าเราดัดแปลงกายกับใจเรียบร้อยไปแล้วร่างกายนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจนิ่งกว่าความเป็นจริง เราคิดว่านิ่งนิ่งละดีนิ่งน่ะดีนะแต่ดีแบบฤาษีกรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กรรมฐานให้นิ่งอยู่เฉยๆยนะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็ น, นตอนนี้นั่งอยู่หรือยังตอนนี้นั่งอยู่แล้วใช่ั้ยรู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งั้มหายใจไปอย่าไปดูที่ลมหายใจนะหายใจไปสบายๆเห็นตัวนี้หายใจรู้สึกสบายๆ ด้วยใจที่สบายๆเห็นร่างกายนี่หายใจเราดูซิใจก็ไม่ดัดแปลงนะใช้ใจปกติเลยเอายิ้มหวานก่อนขั้นต้นต้องยิ้มก่อนยิ้มๆทุกคนยิ้มหวานๆยิ้มสิสมมติว่าถูกป่วยเอ่ยิ้มสัสมมเมงเกตมไหมตอนที่ยิ้มเนี่ยใจผ่อนคลายรู้สึกไหมใช้ใจที่ผ่อนคลายนี่แหละมาดูเห็นร่างกายมันหายใจรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายนะ แล้วสมาธิที่แท้จริงจะเกิดในเวลาสั้นใช้เวลาแป๊บเดียวสมาธิจะเกิดเลยแต่ถ้าเราไปเค้นจิตนะจะให้จิตสงบไปเค้นเค้นนะจิตลำบากสมาธิจะไม่เกิดถ้าเราทําใจสบายสบายซะก่อนนะสดชื่นเนี่ยแล้วก็ ร, รู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจอย่าดูที่ลมนะให้รู้ร่างกายที่หายใจรู้ทั้งตัวอย่าไปจ้องที่ลมหายใจถ้าจ้องที่ลมหายใจแล้วใจมันจะบีบเข้าไปนะแล้วใจจะแคบแคบอึดัด รู้สึกกว้างๆรู้สึกสบายหายใจไปเห็นร่างกายหายใจดูออกไหมมันต่างกับตรงที่ไปดูลมหายใจเอาตอนนี้หยุดตรงนี้หยุดก่อนนะอันนี้เป็นกรรมฐานที่ดีนะต่อไปเราจะฝึกกรรมฐานที่เลวลองดูไปที่ลมหายใจทุกคนจ้องที่ลมหายใจซิสังเกตไหมว่าใจไม่เหมือนกัน ใจหนักหนักแน่นๆ แ, แข็งแข็งทื่อทื่อเห็ใจที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ซื่อนะเป็นใจที่เป็นอกุศลนะใจที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าใจทรงสมาธินะใจจะกว้างขว า, า, า, างไม่ใช่บีบลงมาแคบแคบยิ้มหวานหวานก่อนนี่การยิ้มเป็นวิธีลืมของเก่าซ ะ, ะอ้าวยิ้มหวานแล้วใจสบายย่างใจสบายแล้วเห็นร่างกายหายใจ เห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่ใจของเราเป็นแค่คนดูเราพยักหน้าสิพยักหน้าทุกคนพยักหน้าสิเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนะดูได้ใจสบายนะถ้าดูด้วยใจไม่สบายมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนกิ้งกา่าเนะีนะ่ยหัวเลาะเห็นไหมตัวอะไรหัวเลาะร่างกายหัวเล้นะเนี่ยคอยรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกด้วยใจที่สบายๆอย่างเนี้ย แล้วเราจะเห็นความจริงของร่างกายนะ ind, ร่างกายเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยร่างกายมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยใจเป็นคนไปรู้เข้าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันเป็นคนละสิ่งกันร่างกายก็ส่วนร่างกายจิตจใจก็ส่วนจิตใจเป็นคนละสิ่งกันนะค่อยๆสังเกตไปพอนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานะแล้วค่อยๆดูไปความปวดความเมืออ่อยไม่ใช่ร่างกายความปวดความเมือ่อยไม่ใช่จิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ปวดเมื่อยมากๆเข้าใจรักชักกระสับกระสายทุรนทุรายความปวดอยู่ที่ร่างกายความทุรนทุรายอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นความทุรนทุรายใจก็ไม่ใช่ความปวดเมื่อยทางร่างกายเป็นอีกสิ่งหนึ่งเ น, นี่คยค่อยๆสังเกตไปนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มารวมกันแล้วเป็นตัวเราขึ้นมาค่อยๆแยกมันไปร่างกายก็ส่วนร่างกายนะความรู้สึกสุบรู้สึกทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งถ้าเราค่อยๆฝึกไปอย่างเนี้เราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามันแตกออกเป็นส่วนๆมันแตกออกเป็นร่างกายมันแตกออกมาเป็นความสุขทุกข์มันแตกออกเป็นความดีความชั่วเช่นความโลภโกรธหลงมันแตกออกมาเป็นจิตใจนะี่ค่อยๆสังเกตแล้วมันแยกออกมาเป็นส่วนๆได้พอมันแยกเป็นส่วนๆได้เราจะเห็นความจริงแล้วว่า ไม่มีเราสักที่เดียวเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราอย่างพวกเราพอรู้สึกตัวนะเอาใหม่ยิ้มก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานหวานเนี่ยเราเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิมม้มไหมเห็นร่างกายพยักหน้าไหมยขยับมือสิเห็นร่างกายขยับไหมเนี่ยค่อยรู้สึกไปมือมันบอกไหมว่ามันเป็นเรามันไม่คิดนะว่าเป็นเป็นเรามันไม่ใช่เราหรอกร่างกายนีะ เป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยค่อยดูลงไปนะนี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปว่า ร, ร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจมาอาศัยอยู่แล้วก็มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยหน้ากายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะหายใจเข้าก็ทุกนะหายใจออกก็ทุกลราทดสอบต่อไปนี้หายใจเข้าเข้าให้นานที่สุดเลยหายใจเข้าอย่าหายใจออกนะ สักห้านาทีทุกไหมหายใจเข้าก็ทุกแล้วหายใจออกได้หายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้านะทุกไหมเห็นไ้มหายใจเข้าก็ทุกใช่ไหเริ่มแต่ทุกน้อยจนกระทั่งทุกแรงหายใจออกก็ทุกนะเริ่มแต่ทุกน้อยๆจนทุกแรงๆยืนเดินนั่งนอนก็ทุกทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องนั่งแล้วขยับไปขยับมาเพราะมันทุกนะ เนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญานะเราคอยรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใจลอยไปแล้วก็ไม่บังคับกายไม่ให้บังคับใจแล้วก็จะรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่มนันเป็นเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยแล้วเราจะเริ่มเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานีร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราเหรอเราสั่งไม่ได้ต่อไปนี้ทุกคนสั่งซิให้ใจเศร้าโศกสั่งซิ จงเศร้าโศกสั่งซิโศกไห ม, ไมเห็นโศกเลยสั่งไม่ได้นะเวลามันจะเศร้าห้ามมันได้ไหมห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะเราจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรในใจเนี่ยที่เราสั่งได้เลยตรงที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีแล้วก็หายไปเรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงตรงที่เห็นว่ามันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าทุกขผังนะมันมีความทุกข์บีบคันอยู่ตลอดเวลา ตรงที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาการที่เราเห็นกายเห็นใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาปัญญานะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในที่สุดจะเกิดวิปัสสนาปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจเมื่อเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยจะหมดความยึดถือในกายในใจพวกเราถ้าลองไปรู้สึกอยู่ในกายอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ เราสึกไปทั้งวันเลหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไปด้วยนะยืนเดินนั่งนอนอรู้สึกไปด้วยไม่นานเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเรามีความทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอย่างเรานั่งอยู่แล้วคันคันเราก็เก่าเลยใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าเก่าเก่าไปเรียบร้อยแล้วหายคันไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าเก่าใจลอยใจคิดนอนคิดนี้ไปนะหรือทําไมเราต้องขยับ มันทุกข์นะลองนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆห้ามขยับห้ามขยับเลยนะลองลองทดลองดูทุกข์ไหมทุกข์นะเอาขยับได้เดี๋ยวพิการไปแล้วร่างกายยังเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไปก่อนอีกหน่อยเจ็บป่วยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ช่วยไม่ได้นะเห็นไหมว่าร่างกายนี่นะ มีความทุกข์บีบคั้นอยู่แต่ว่าเราเปลี่ยนอิทธิบทตลอดเวลามันก็เลยปิดบงังทําให้เราไม่เห็นความทุกขในร่างกายจิตใจนี้ก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะแต่ว่าเราเปลี่ยนอารมณ์ไปด้วยเลยพอมีความทุกข์นะดูหนังแล้วทุกข์เราก็อยากไปฟังเพลงฟังเพลงแล้วทุกข์ก็อยากไปหาอะไรกินความทุกข์มันไล่าตามในใจของเราตลอดเวลาต่อไปนี้คอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจ รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นความจริงของกายไม่นานเราจะเห็นความจริงของจิตใจถ้าเห็นความจริงได้นะเนี่ยพยายามดูไป7วัน7เดือน7ปีที่พระพุทธเจ้าบอกคนไหนเรียนได้ช้าหน่อยก็ใช้เวลานานดูสัก7ปีบางคนดูได้ปานกลางประมาณ7เดือนบางคนเร็วประมาณอาทิตย์เดียว7วันนะก็จะเห็นความจริง คนสมัยพุทธกาลที่บา ร, รมีสูงสูงเน right? hey. ี่ยเจ็ดวันเจ็เดือน7ปีเนี่ยบรรลุพระอรหันต์ของเราเนี่ยเจดวันเจเดือนเจปีอะไรเนี่ยให้ได้โสดาก็บุญแล้วล่ะเพราะฉั้นได้โสดาบันไว้ก่อนก็ปลอดภัยละวเพราะโสดาบันจะเห็นความจริงเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพรรู้สึกขึ้นมาแล้วคอยดูลงไปมันเป็นตัวเราที่ไหนเราสั่งไม่ได้สักอย่างนะสั่งว่าอย่าทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ดูของจริงลงไปนะ ดูไปด้วยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าบางคนดูไม่กี่วันใจยอมรับความจริงก็ได้ธรรมะมนะบางคนปานกลางดูไปเจ็เดือนหลายเดือนดูไประดับเป็นเดือนเดือนเข้าใจก็ยอมรับความจริงก็ได้ธรรมะบางคนดื้อหน่อยดูหลายปีนะ3ปีสี่ปีห้าปี6ปี7จปีอนะไรนี่ใจก็ได้ธรรมะขึ้นมาต้อดูบ่อยๆนะไม่ใช่ วันหนึ่งดูครั้งหนึ่งแล้วบอก7ปีแล้ว ย, ยังไม่ได้ต้องดูให้บ่อยๆนะค่อยรู้สึกบ่อยๆ อ, อย่าใจลอยใจลอยเนี่ยเสียเวลาตายเปล่าๆ เ, เลยศูนย์ชีวิตศูนย์เปล่าไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรพยายามรู้สึกตัวเห็นร่างกายเห็นจิตใจเขาทางานไปเรื่อยๆต่อไปเขาจะเห็นนะกายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข์ไม่เห็นมีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นทุกข์แล้วจะมีความสุขไม่ใช่เห็นทุกข์แล้วจิตใจเศร้าโศกนะ ยิ่งเห็นทุกข์จะยิ่งมีความสุขนะเพราะใจมันจะคลายความยึดถือเพราะใจมันไม่ยึดกายมันจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกละร่างกายแก่ใจไม่เป็นทุกข์นะร่างกายเจ็บใจไม่เป็นทุกข์ร่างกายตายใจไม่เป็นทุกข์คนที่เรารักต้องพลัดพรากไปใจก็ไม่ทุกข์นะเราต้องไปเจอคนที่เราเกลียดใจก็ไม่ทุกข์นะใจมสบายมีความสุขสงบมีความเป็นกลางทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอีกต่อไปไม่เหมือนการทําสมาธิ สมาธิเนี่ยเรานั่งสมาธิใจมีความสุขมีความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวกลับมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าเราเจริญปัญญาไปเนี่ยปัญญาเกิดแล้วนะละความทุกข์ไปแล้วเนี่ยความทุกข์่ใหม่มอีกแล้วไม่ต้องละอีกแล้วเพราะงั้นงานของสมาท า, า, านกรรมฐานงานทําความสงบเนี่ยไม่มีทางสิ้นสุดนะแต่งานของการเจริญปัญญาเนี่ยมีที่สิ้นสุดมีจุดที่สิ้นสุดคือจุดที่จิตเข้าใจความเป็นจริงของกายจิตเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจ เราเข้าใจจริงแล้วก็จะเริ่มเบื่อไม่เห็นมีสาระอะไรเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชีวิตจะมีความสุขนะชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยนึกไม่ถึงเลยเป็นชีวิตที่คิดไม่ถึงเลยว่าความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยเราวิ่งหาความสุขมาตั้งแต่เกิดอยากได้ความสุข ความสุขของเราที่ผ่านมานั้นเป็นความสุข pues ที่ <embarrassing S 2> อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตอนเด็กๆตอนมีความสุขก็อาศัยพ่ออาศัยแม่วันไหนไม่มีพ่อมีแม่ก็ลําบากใช่ไหมถ้ามีพ่อมีแม่อยู่พ่อแม่ดูแลมีความสุขในความสุขที่อาศัยพ่อแม่เป็นวัยรุ่นขึ้นมามีความสุขที่อาศัยเพื่อนเข้ากับกลุ่มเพื่อนเขาไม่ได้ไม่มีความสุขมีเพื่อนมีฝูงน้ำไปก่อเรื่องเกเรอะไรก็ยังมีความสุขนี่ความสุขมันอาศัยเพื่อน ต่อมาก็ความสุขอาศัยแฟนความสุขอาศัยสามีอาศัยพัญญาความสุขอาศัยลูกตอนเจ็บมากๆความสุขอาศัยหมออาศัยคนอื่นตลอดนะไม่เหมือนกรรมฐานนะความสุขนี่ไม่ต้องอาศัยใครเลยมีความสุขอยู่ได้ในตัวเองแก่เจ็บตายมีความสุขเจอสิ่งที่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีมีความสุขนะเยาจะเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้ทุกคนนะเพราะพวกเรา เป็นลูกพระพุทธเจ้านะเราได้เคยได้ยินวิธีปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าวิธีเจริญปัญญาแล้วเราก็หัดเจริญปัญญานะเริ่มต้นหัดวันหนึ่งสักสินาทีแล้วต่อไปเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี้ยสติอัตโนมัติจะเกิดค่อยๆฝึกไปจิตท่านจะรู้สึกตัวตั้งมั่นอัตโนมัติปัญญาก็จะเกิดจะเห็นเลยร่างกายเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหว ค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ไปในที่สยุยพ้นทุกข์ไปนะนี่แหละทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นะนี่เป็นขั้นของการเจริญปัญญาและขั้นในการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องแต่ว่าเบื้องต้นต้องถือศีลห้านะพยายามรักษาศีลห้าไว้ถ้าเรามีศีลห้าเราจะฝึกสมาธิง่ายถ้าเราไม่มีศีลสมาธิจะทายาก คนไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านทําสมาธิยากจิตใจจะฟุ้งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะอย่างคนคิดจะทําร้ายเขาอาฆาตเขาโกรธเขาเกลียดเขานะไหมใจไปคิดเรื่องของคนอื่นลืมตัวเองเไม่เข้ามาหาตัวเองใจคิดจะไปขโมยของคนอื่นเขาเนี่ยใจมันก็ออกไปที่อื่นใจมันไม่ย้อนเข้ามาหาตัวเองใจคิดจะไปชอบลูกสาวชาวบ้านนะมีหลอกเมียเขาอะไรองนี้ใจมันไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่คนอื่นมันไม่หาตัวเอง คนโกหกหอกลวงนะใจก็ต้องคิดจะโกหกเขาก็ต้องคิดให้ดีใช่ไหมเดี๋ยวก็จับได้ใจหลงไปอยู่ในความคิดนะใจก็ไม่อยู่กับความรู้สึกตัวที่เล่าเมายาเขาเพลิดเพลินไปใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดังนั้นเราต้องมีศีลนะใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายสมาธิมันจะเกิดจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเข้ามาดูกายมันทํางานดูใจทํางานอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจนะอา้าต่อไปนี้ให้เริ่มปฏิบัติลงมือปฏิบัติสิ ยังมีเห็นไหมขยับใจรู้สึกไหมทํำลึ้นหน่อยตัวไม่ค่อยขยับนะชักจะรู้ทันหลวงพ่อนะร่างกายยังเฉยเฉยทำเป็นเฉยเยแต่ใจทํำลึ้นเนี่ยมีหลายคนนะนะกาลังยิ้มเห็นตัวอะไรยิ้มไหมพยักหน้าเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมรู้สึกไหมง่ายๆนะของง่ายๆทำซะยากเลยเรียกว่าทําของง่ายให้ยาก แล้วก็มาบ่นว่าโอ้ภาวนายากเหลือเกินพ่อไปทำซะยากเองอะ่ะของ่ายรู้สึกนะรู้สึกตัวไปถือศีลห้าไว้นะแล้วก็ให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าบังคับมันรู้สึกมันสบายสบายดูไปอย่างสบายดูไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวปัญญาก็เกิดเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจก็คลายความยึดถือไปนะปล่อยของมันเองนะถึงจุดหนึ่งมันวางของมันเอง เราจะมีความสุขที่สุดเลยชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนเราจะนึกแบบนึกไม่ถึงว่าความสุขอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยความสุขที่ไม่อาศัยอะไรเลยไม่อาศัยคนอื่นไม่อาศัยสิ่งอื่นไม่อาศัยเรื่องราวที่ต้องคิดนึกให้สนุกสนานอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ในห้อง ICU ก็มีความสุขฝึกนะเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษ ถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้หรอกถ้าฝึกก็ได้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อนะหรือฟังน้อยฟังครั้งแรกเนี่ยหรือครั้งแรกๆกเนี่ยอาจจะยากอาจจะเข้าใจยากมี CD ให้ฟังนะเอา CD ไปนะไปฟัง CD หลวงพ่อไปเทศที่ไหนวิธีส่ง CD ดล่วงหน้าไปแจกนะไปแจกให้แล้วก็ไปฟัง หลายคนนะที่ฟังซีดีโดยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะแล้วพอมาเจอเนี่ยบอกไม่ได้มาถามอะไรแล้วนะมาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเขาถูกน้อยลงแล้วละ่ะเขารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะเั้นลองไปฟังซีดีของหลวงพ่อนะบางบ้านพอขึ้นรถนะก็เปิดซีดีเลยลูกไม่ได้เจตนาฟังลูกมันได้ยินลูกภาวนาเป็นนะ พ่อโมโหคนอื่นครับรถปาดหน้าแล้วพ่อโมโหลูกบอกพ่อโมโหเรารู้ไหมโกรธเรารู้ว่าโกรธไหมเนี่ยเด็กมันถามได้เลยนะนเด็กมันเริ่มภาวนาเป็นนละ้โกรธมันก็รู้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในกับใจก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไม่ยากอะไรนะก็ลองไปฟังซีดี CD ดูซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครหรอกนะฟังแล้วฟังอีกได้ฟังซ้ําๆนะ ฟังซ้ําไปเลยไม่ต้องกลัวถ้ามีแผ่นเดียวฟังแล้วฟังอีกหลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนใครฟังแล้วฟังอีกเนี่ยแต่ละรอบที่ฟังเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกนึกว่าเข้าใจแล้ว่นะฟังไปเถอะแล้วก็เกิดความเข้าใจใหม่ๆขึ้นมาอีกใจก็จะเข้าไปสู่ความสะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะเไม่ต้องทําอะไรมากหรอกไปฟังบ่อยๆแล้วก็สังเกตของจริงในกายสังเกตของจริงในใจตัวเองไปด้วย ไม่นานชีวิตเราก็เปลี่ยนเราเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนเราเกิดใหม่บางคนนะภรรยามาที่วัดของพ่อมาฟังหรือฟังซีดีอนะไรนัฟังฟังไปนะสามีตามมาสงสัยว่าวัดนี้เ้าสอนยังไงอนเะมียเราเปลี่ยนไปเนะมียเราเคยปากมากพูดมากนะี่ยเดี๋ยวนี้ไม่พูดมากแล้วเคยหน้านิ่วคิวขมวดเครียดจัดเดี๋ยวนี้ไม่อารมณ์ดีเบิกบานแจ่มใสนะ เลยมาภาวนากันทั้งบ้านทั้งครอบครัว เ, ย, เยอะเลยนะมากันทั้งครอบครัวเป็นพวกเราภาวนานะตั้งใจฟังซีดีแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยๆวันไหนฟุ้งซ่านสวดมนต์ไปสวดมนต์สวดหลายๆบทก็ได้สวดอะไรไม่เป็นเลยก็อาวุฒโธวุฒโธวุฒโธวุฒโธไปเรื่อยๆใจมันก็สงบลงมาใจสงบแล้วอย่าสงบอยู่เฉยดูกายทํางานดูใจทํางานทําให้ได้อย่างนี้นะ แล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักแบบมอบกายทวายชีวิตเลยบุญคุณของท่านใหญ่หลวงเหลือเกินอาศัยคําสอนของท่านเนี่ยทำให้เราพ้นจากความทุกข์ไดนะ้เวลาพ้นออกมาเป็นลําดับลําดับน้ํามองย้อนหลังไปใจหายเลยว่าถ้าไม่ได้ภาวนาเนี่ยชาตินี้เสียโอกาสอย่างยิ่งเลยไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเสียชาติเกิดเลยจะรู้สึกอย่างนี้นะไม่ได้หลอกพวกเราหรอกลองไปดูลองไปฟังดูนะ แล้วสังเกตของจริงในใกายในใจดูสักพักเดียวเดือนสองเดือนเท่านั้น่ะเราจะรู้เลยว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยชาตินี้เราเสียโอกาสเลยระดับนั้นเลยนะลองดูวันนี้เทศแค่นี้พอสมควรใครจะส่งกันบ้านเชิญนมาส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูเรื่องการรู้สึกตัวคะ่ะอารมณ์อะไรนะการรู้สึกตัว อ, อ, อารมณ์ที่หนูติดอยู่ก็คือ ค, อความโกรธก็คือตัวหนูถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธแต่สักระยะหนึงความโกรธก็จะจางหายไปแต่มันยังรู้สึกว่าจะมีตะกรนที่มันนิ่งอยู่แล้วหนูจะจัดการกับอารมณ์อย่างนี้ยังไงคะมันโกรธขึ้นมาแล้วนะมันต้องมีผลคนทั่วๆไปเขาโกรธทุกวันทุกวันนะเขาก็เก็บตะกรนนี้ไว้ตะกรันนี้ภาษาพราะเรียกว่าอนุัยสันดาน กลาเป็นสันตานนะเราโกรธบ่อยๆนะเราเก็บตะกอนนี้ไว้เยอะๆนะวันหลังมันก็ขึ้นมาง่ายมันจะมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันโกรธขึ้นมาเราเรารู้นะตะกอนนี่จะค่อยๆลดลงนะมันคล้ายๆเราตัดต้นไม้ต้นญ้าเราตัดต้นญ้าพอมันงอกขึ้นมาเราตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยนะมันหาอาหารไม่ได้อีกหน่อยมันค่อยๆเหี่ยวไปะค่อยๆเฉาไปถ้ามันงอกขึ้นมาได้กิเลสงอกขึ้นมาได้โทสะเกิด ได้เต็มที่แสดงอิทธิฤทธ์เต็มที่นะยิ่งสะสมอาหารไวเก็บตะกอนนั้นมากขึ้นมากขึ้นค่อยๆสังเกตไปนะตะกอนในใจเราจะลดลงลดลงใจจะสะอาดขึ้นเรื่อยๆมีตะกอนแน่นอนถ้ามีกิเลส น, นะน้ำมศการเจ้าค่ะในสภาวะที่จิตที่สงบนะเจ้าคะยังมีจิตที่รู้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะมีแต่ของหนูเนี่ยมันซึมไปนิดนึงนะ ตัวนี้มันอาการของคนติดสมถะตัวนี้ต้องแก้นะถ้าติดสมถะอย่างนี้จะไม่ขึ้นวิปัสสนาอย่าให้จิตติดเฉยหลวงปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าจิตติดเฉยให้คอยรู้สึกกายไว้เห็นร่างกายทํางานไปทํางานที่เคลื่อนไหวนะขวัดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรเนี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหม ถ้าใจมันจะค่อยๆ ค, คลายออกจากการเฉยถ้าใจเฉยอยู่ภาวนามไม่ได้ขึ้นมีปัศนาไม่ได้หายใจแรงๆทีนึงเออนั่นนะยังไม่หลุดทีเดียวรู้สึกไหมมันเหลือตัวรู้นิ่งๆอยู่ตัวรู้มีสองแบบตัวรู้ที่ดีเนี่ยไม่ได้เจตนาให้รู้แต่ว่าจิตเผลอไปเรารู้ว่าเผลอจิตไหลไปคิดว่าไหลไปคิดตัวรู้ที่ดีจะเกิดมันจะรู้ตื่นเบิกบาน นี่พอตัวรู้ดีๆเกิดหลายทีเราจําได้เราก็จงใจทําตัวรู้ขึ้นมาประคองตัวรู้ไว้ตัวรู้ตัวนี้แน่นๆหนักๆแน่นๆแข็งๆซืมๆทื่อๆเป็นตัวรู้ที่ไม่ดีนะพยายามแก้ซะเส้นไหวร่างกายไว้เดี๋ยวจะหายอ้าวต่อไปคนที่หนึ่งนะใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเออใจมันดีไปแล้วกลาวนามัสกา ร, กการหลวงพ่อครับก็อยากให้หลวงพ่อพาดูสภาวะครับเพราะว่าปีที่แล้วนี้ก็มาส่งกันบ้านเหมือนกันแต่ว่า หลวงพ่อบอกว่าใจยังแบบฟุ้งๆไปติดอยู่ในความว่างอยู่ตอนนี้แบบดีขึ้นยังครับตั้งมั่นหรือยังไม่ได้ติดว่างแล้วเนานะครับแต่ว่ามันตื่นเต้นปกคองจิตไว้ดูออกไหมครับแต่จิตไม่ถึงฐานนะครับรู้สึกไหมรู้สึกออจิตออกนอกไม่เข้าบ้านถ้าจิตไม่เข้าบ้านนะไม่ต้องทําอะไร ร, รู้ว่ามันไม่เข้าบางทีมันเข้าเองแต่ถ้ามันยังรู้แล้วมันก็ยังไม่ยอมเข้านะพามารู้สึกร่างกายไว้ร่างกายเหมือนบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้าน เราอยากหาเจ้าของบ้านแต่หาเจ้าของบ้านยังไม่ได้เราเฝ้าบ้านมันไหมเดี๋ยวก็เจอเจ้าของจิตจิตไม่ถึงฐานให้ไปดูที่กายมากกว่าจิตรู้สึกร่างกายบ่อยๆจิตได้กลับเข้ามาแต่ถ้ามันไม่กลับมันมีวิธีขี้โกงนะแต่ของคุณอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าจิตออกนอกไม่มากจิตพ้นฐานไปนิดหน่อยเท่านั้นถ้ามีวิธีขี้โกงถ้บอกคนจิตไปอยู่ข้างนอกเลยไม่ยอมเข้าเลยนะ ความรู้สึกตัวเนี่ยจับไม้ที่ลมหายใจแล้วก็าหายใจเอาความรู้สึกตัวเข้ามาหายใจเอาความรู้สึกกลับเข้ามาวิธีนี้ให้ใช้ครั้งเดียวอย่าเกินสามครั้งอย่างยอะจะแน่นปึกเลยแก้ยากเลยมันเสี่ยงนิดนึงเพราะันรู้สึกร่างกายไว้ดีกว่ารู้สึกไหมจิตตอนนี้กับตะกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกันละตอนนี้เข้าบ้านมากกว่าเมื่อกี้แล้วดูออกไหมแต่ว่าเริ่มกลิ่นละเข้าแรงไป นะพอเข้าแรงแล้วใจจะแน่นครับกาบนักสการหลวงพ่อครับกกเออเมื่อคราวที่แล้วเห็นหลวงพออ่อเอให้มามองที่กายที่ใจผมก็ไปมองที่กายแล้วมันเกิดมีความรู้สึกว่าอิ่มเออมีความสุขเออแต่พอไปมองที่ทุกข์เกิดความทุกข์ที่ร่างกายแล้วก็จะเห็นเ อ, อความทุกข์แยกออกไปเออครับแล้วก็มามองที่กาย มันบอกไม่ถูกครับหลวงพ่อบอกไม่ถูกก็ไม่ต้องบอกเวลาเนี้ยขันมันแยกเป็นละขันมันแยกได้รู้สึกแม่กายก็คนละอันกะใจความสุขความทุกข์ก็คนละอ่านกะกายคนละอ่านกะใจโลรโปวดหลงก็คนละอ่านกะใจค่อยๆฝึกไปจะเห็นว่าขันเนี่ยมันแยกได้พอมันแยกเป็นส่วนๆแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าแต่ละอ่านนะ เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเช่นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายนะโรคปวดหลงเกิดแล้วก็หายนะจะเห็นอย่างนี้นะเห็นแต่ของไม่คงที่เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ดูไปด้วยนั่นะแหละการเจริญปัญญาแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ทาความสงบนะ ท, ทาสมถะบ้างเพราะว่าใจจะเริ่มฟุ้งแล้วอย่าทิ้งสมถะนะ เราทํำวิปัสนาได้แล้วล่ะเพขันมันแยกหลวงตามหาบัวสอนเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นเอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาท่านว่าอย่างนี้นะตอนนี้ขันมันแยกแล้วรู้สึก่ะไหมครับหลวงพ่อขันมันแยกแล้วนะต่อไปดูขันมันทํางานไปมันไม่ใช่เราสักอันเดียวเลยร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรา ดูไปจนวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมานะมันรู้ด้วยตัวเองเลยว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมาถึงตรงนี้ได้ก็เก่งแล้วล่ะขอบคุณครับกลับนมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งแรกครับมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับโอ้ตื่นเต้นทํำยังไงรู้ว่าตื่นเต้นเนี่เออเนี่ยฟังซีดีมาเยอะเนี่ยตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอ่ะคก็ในแต่ละวันก็จะปฏิบัติ ตอนเช้าก็จะสวดมนต์ธรรําเพเช้าแล้วก็จะเดินจงกรมครับอืแล้วก็ตอนตอนเย็นหลังจากเลิกงานก็จะจะสวดมนต์แล้วก็ส่วนใหญ่จะตอนเย็นนี่จะทําทําสมาธิครับทําสมถะเพราะว่าจิตมันฟุ้งอืตอนตอนเช้าเนี่ยตอนเดินจงกรมนะครับบางครั้งผมเห็นว่าจิตบางทีมันไปเกิดที่เท้าไปเกิดที่หูบ้างแล้วก็ไปคิดบ้างมาัอย่างนี้ผมเห็นถูกไหมครับ ถูกสังเกตไหมจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นครับมันเป็นคนละดวงกันมันไม่ใช่จิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูวิ่งกลับมานะจริจริงมันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะครับถ้าเห็นตรงนั้นได้เรียกว่าสัน ต, ติขาดนะสันติขาดเนี่ยขึ้นวิปัสนาที่แท้แล้ครับดีแต่ขึ้นวิปัสนาเราจะต้องเจอวิปสัสโนนะครับถ้าสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานเนี่ยจะเกิดวิปสัสโน แต่ถ้าเกิดอาการแปลกๆอะไรนะเช่นมีแต่ความสุขว่างไปหมดเลยนะให้รีบดูใจให้ดีใจมันไม่เข้าบ้านใจไม่ถึงฐานก็ใจถึงฐานแล้วหายเลยพี่ปัสนุมหายหมดครับจุดจุดอ่อนของของผมเองที่รู้ก็คือว่าบางครั้งมันฟุ้งบ่อยครับทำสมาธาิที่ผ่านมาจะค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าราคามันแรงนะจะทำสมาธิก็ดู ร่างกายมันดูปฏิบูลณดูสุภาดูอะไรอย่างนี้นะคมันก็ข่มราคะสงบง่ายถ้าขี้โมโหก็จเจริญเมตตาก็สงบง่ายครับถ้าขี้หลงขี้ลืมใจลอยบ่อยหายใจไปแล้วรู้สึกไปครั บ, รบก็จะสงบที่ที่ป ฏ, ฏิบัติดูนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้นะใช้ได้ดีชอยละ่ครับสังเกตไหมว่าชีวิตจิตใจเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม นีเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มได้ฟังมซีอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วครับอืก mm ็ hmm. ได้เริ่มประครับประครองตัวเองมาตั้งแต่ใช้ได้นะดีเชียวละไปฝึกไปส่วนของคุณที่เสื้อเขียวเนี่ยที่ส่งกันบ้านไปแล้วมันติดเพ่งนิดหน่อยนะยังเพ่งแรงอยู่คลายการเพ่งใช้รับสบายกว่านี้กราบนรัส ก, การครับผมเ อ, อตอนนี้ผมก็พยายาม ฝกสติอยู่นะครับทั้งยืนเดินนั่งนอนอืแล้วก็พยายามอยู่ที่ฐานกายเป็นหลักจนกระทั่งปัจจุบันนี้พอถ้าคิดก็รู้คิดเห็นความคิดกลับไปแล้วก็เห็นเวทนาที่เกิดตามมาตลอดที่เรียกว่ากระแสะประสาทอืมทุกครั้งของการคิดนี้กระแสะประสาทที่ให้ผลเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าอตอนนี้รู้ว่าในความคิดไม่มีเวทนาในมีเวทนาไม่มีความคิดแต่ ความคิดทําให้เกิดเวทนาถ้ามีเวทนาแล้วไปปลูกปรุงแต่งก็เป็นความคิดแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเออตอนนี้เห็นทุกแต่เห็นทุกอยู่สองแบบทุกที่เจือด้วยกระแสประสาทเนี่ยบางครั้งไม่เจือด้วยความเศร้าหมองบางครั้งเจือด้วยความเศร้าหมองอืสามารถรักษาจิตไม่ให้มันจมจมได้แต่ไม่สามารถพ้นไปจากมันได้<ม>ครับผมปัญหาของคุณตอนนี้ก็คือปัญญารําหน้านะมันค้นคว้าพิจารณาเยอะไปใจมันฟุ้งในธรรมะนะ งั้นตัดความฉลาดไปโง่ไหมโง่ครับผมพอนางโง่โง่งนะดีที่สุดเลยครับผมอันนี้มันรอบรู้มากไปใจมันจะฟุงรระนะฟ้งในธรรมะถ้าใจฟุ้งในธรรมะเนี่ยมรรคผลจะยังไม่เกิดนะครับผมงั้นเราอย่าไปสนใจความรู้อะไรนะพยายามรู้สึกตัวให้ใจได้สงบบ้างนะถ้าทิ้งความสงบไปใจจะฟุ้งมากไปไม่ดีหรอกปัญญามันล้ํา ร, รู้สึกไหม รู้สึกครับเออปัญญาล้ำหน้าไปแล้วนะฉลาดไปรู้ไปหมดแล้วครับผมโง่ไว้โง่ครับผมเออโง่นะครับผครูบาอาจารย์สอนนะเฮ้ยเรียนกรรมฐานนะโงโง่งงงไปนะครับผมเ อ, อถ้าฉลาดมันจะคิดนํามันจะดักหน้าดักหลังวิเคราะห์วิจัยไปเรื่อยนะมันจะเป็นการคิดอ่ะต่อไปอาการนวัสการหลวงพ่อนะครับเออผมก็ตามรู้ตามดู ฟังซีดีหลวงพ่อมาสักพักหนึ่งนะครับอันนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยหลังจากที่พอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะสว่างแต่ว่ามันโป่งลงเบาแต่ว่าหลังๆมานี้มันจะมันจะแน่นๆมั น, ม, นมันเหมือนมันไม่รู้ตัวครับคือเวลาเดินจงกรมก็ไม่รู้ว่ามันประคองหรือว่ามัน ไปอยากจะทำให้มันแบบมีความรู้สึกตัวคือตอนแรกๆนะเราใจลอยแล้วเรารู้อะไรเนี่ยเราก็รู้สึกตัวมันก็มีความสุขนะอันนั้นเป็นความสุขของสมาธิใจมันมีสมาธิขึ้นมานี้พอเราจำความรู้สึกตัวได้เราเลยพยายามจะรู้สึกอันนี้เป็นของปลอมไม่สบายออกมาเดินทีเดินจงกรมให้หลวงพ่อดูหน่อยเดินข้างหน้านี่แหละเดินจงกรมให้เหมือนเดินที่บ้านนะนะ ลืมหลวงพ่อไปซะลืมทุกคนสังเกตไหมเราขยับใจเขาเราให้คลุมเออตัวนี้ไม่เอานะใช้ใจธรรมดาเดินไปด้วยความรู้สึกใจหนีไปคิดเรารู้เอาสังเกตไหมตอนกลับตอนหมุนตัวกลับใจลอยนะงั้นเดินสุดทางแล้วอย่าเพิ่งหมุนเดินสุดทางแล้วหยุดก่อน หยุดแล้วรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้ดีก่อนเห็นไหมใจมันหมุนตัวเร็วกว่าร่างกายแลอย่าเพิ่งเดินเห็นไหมใจเดินก่อนนะใจมันเดินก่อนขาแล้วเราเอาเดินไปให้ใจกับกายได้สัมพันธ์กันสบายสบายอย่าเพ่งนะอย่างนี้เพ่งเออไม่เอาต้องใช้ใจอย่างเนี้ยใช้ใจอย่างตอนนี้เลยเดินเดินด้วยใจอย่างเนี้ยเห็นไหมว่ามันเบิกบาน ม่คลายออกด้วยใจนี้นะใช้ใจอย่างนี้ถ้าใช้ใจอย่างตะกี้มันก็จะซึมไปเลยม น, มนมันบังคับใจให้ซึมขาสติมานอึดอาดนะถ้าใช้ใจที่สบายอย่างนี้เห็นร่างกายเดินด้วยใจที่สบายสบายไปเดินกลับไปนั่งที่เนี่ยเห็นร่างกายเดินใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเดินในทางจงกรมอ่ะ ทุกก้าวที่เราเดินด้วยความรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติทั้งหมดเลยครับเรามีคําถามนึะครับพอดีว่าสงสัยว่าถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเราเราจะแยกธาตุแยกขันธ์นะครับกระบวนการที่มันถูกต้องนี่คือควรจะทำํำ ย, ย, ยังไงครับมันเริ่มแยกแล้วไม่ต้องดิ้นรนอะไรหรอกคือวันนั้นพอดีฟังในซีดีหลวงพ่อบอกว่าในช่วงแรกก็ต้องคิดก่อนคิดนําไปก่อนอ น, นั้นสําหรับคนซึ่งมันไม่ยอมแยก ของเราไม่ไม่มีปัญหาขนาดนั้นหรอกรเห็นไหมตัวอะไรมันถือใหม่ครับไม่เห็นอยู่แล้วกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเโยมรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวมากขึ้นค่ะแต่ขอโอกาสให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางในการมีอัตตาและตัวตนให้ด้วยนะคะการอะไรนะมีอัตตาและตัวตนนะคะอัตตาไม่มีจริงหรอกรมีแต่ความรู้สึกว่ามีอัตตา ตัวตนก็ไม่มีหรอกมีแต่อนัตตา <c oughs> แต่ว่าเราเกิดความรู้สึกว่ากูแน่กูแน่นะ <c oughs> ถ้ามันเกิดความรู้สึกว่ากูเก่งกูแน่ไรนนะรู้ทันมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตาย <c oughs> นะมันจะดับเองให้รู้ทันใช้วิธีรู้ทันมันนะพอ <c oughs> ม, มีความเก่งแล้วกูเก่งใึ้มาละกูแน่เราเว้ยคนอื่นสู้กูไม่ได้เห็นตัวกูมันเด่นขึ้นมะาให้รู้ทันเดี๋ยวก็ดับเอง <c oughs> <c oughs> ไม่ยากหรอก แล้วตอนที่ว่าช่วงนี้อะค่ะโยมปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนะคะอา้าวหลวงพ่อต้องถามโยมนะไม่ใช่โยมถามหลวงพ่อยมเราปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างค่ะออใช้ใจอย่างนี้ค่ะใช้ใจสบายๆอย่างนี้แหละนะ<ช>รู้สึกสกายรู้สึกใจไปทําถูกแล้วค่ะค่ะน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะจิตมันยังไม่เข้าบ้านนะดูออกไหมจิตยังอยู่ข้างนอก ให้รู้ทันว่าจิตยังออกนอกอยู่ยังไม่ถึงฐานร้อยเปอร์เซ็นแต่ไม่ว่ามันเดี๋ยวมันก็เข้ามาเองค่ะล้ำมานส ก, การหลวงพ่อค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อเคลื่อนแท่แล้วบอกว่าใจมีความอยากแล้วจะเป็นทุกข์อะค่ะแต่ตอนนี้ทุกอยู่เพราะอยากจะวางความไม่เป็นกลางอะคะ่ะอะไรนะความอยากจะวางความไม่เป็นกลางเหมือนอยากวางความไม่เป็นกลางแล้วอยากดีอยากดีก็ทุกนะข์นะค่ะ ยังไรก็ทุกข์อะมีความอยากที่อะไรก็ทุกทุกทีมันเหมือนกับเวลาไม่ชอบอะไรนี่อยากจะวางแล้วมันวางไม่ได้ไม่ได้หรอกถ้าวางได้ตามใจชอบนะทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้ว<ม>เอาละปล่อยวางมันรู้เลยไม่เป็นหรอกถ้าค่อยๆดูไปะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันขี้โมโหไหมขี้โมโหนั่นแหละขี้โมโหมากต่อไปนี้เวลาใจโกรธขึ้นมารู้ทันไม่ว่ามันนะ รู้ทันอยาโกรธ ด, ดูซิแกจะโกรธนานแค่ไหนดูอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าให้ดับให้หายโกรธเร็วๆไม่ต้องนะเพราะว่าพอมันโกรธขึ้นมาดูซิดูซิแกจะโกรธนานสักแค่ไหนเราเป็นแค่คนดูแล้วไม่จะดับไปเองเดี๋ยวพอมันกระทบอารมณ์ใหม่มันโมโห อ, อีกโมโห อ, อีกรู้อีกก็จะเกิดแล้วก็ดับไปอีกไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่รู้แล้วมันจะดับของมันเองแล้วก็วางได้เหรอคะมันมัน ถ้าไม่ดับนะกิเลสครอบงำใจใจก็เที่ยวตะครุบโนอนตะครุบนี้เม่อกิเลสไม่มีมันก็ไม่ยึดถืออะไรหรอกมันยึดเพราะกิเลสนั่นแหละขอบคุณงพ่อคับราชการหรออายุเท่าไหร่คนนี้เอเก้าครับเท่าไหร่นะเก้าปีครับสิบเก้าเก้าอ๋อเก้าหรือว่าสิบเก้าเออเก้าปีเรียนกรรมฐานได้ละ ให้รู้ว่าอยากยกยกมาอย่างนี้ยกเออด็กให้เ อ, อเรารู้ว่าอยากรู้ว่าปวดรู้ว่าเบื่อรู้ว่าอือ่โอ้เด็กนี้ใช้ได้นะ <c oughs> ดีแล้วดีเด็กนี้รู้สึกตัวเป็นแล้วจิตก็ตื่นแล้ว <c oughs> ต่อไปนี้นะใจอยากก็รู้ทันนะ ใ จ, ใจอยากได้ก็รู้ใจรักก็รู้ใจเกลียดก็รู้น ะ, <ฮ>ะใจเป็นยังไง ร, รู้ลูกเดียวเลย <ฮะ S 1> ภาวนาเข้าท่ายฮบบ้านอยู่ไหนล่ ะ, <ฮ>ะบ้านอยู่ที่ไหน อ, อยู่ที่ชุมทองรัอยู่ชุมพรทุม ช, ชุมทองครเอเอไม่รู้จักแฮบภานาเก่งฮะตรวจกับเพี้ยกเดียวฟังซีดีหลวอพ่อไหม ฟังนะฟังไปเรื่อยๆนะครับเอฟังไปแล้วต่อไปเราจะรู้ทันใจของเราไปด้วยใจอยากได้อะไรก็รู้นะใจโกรธก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้แล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ดับไปดับไปอย่าโกรธโกรธขึ้นมาพอเราไปเห็นนะมันก็หายโกรธนะครับใช่ไหมโอเคเงี้ยเข้าฝวกดีได้ทํำอีก รมสการครับหลวงพ่อโอ้จิตตื่นนะเด็กนี่ผมก็ปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ้างปฏิบัติมาค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะทำขยันหน่อยอก็แล้วกันนะแต่ว่าคือก็ช่วงสี่วันที่ผ่านมาคือผมเป็นโยมอุปถักต์ก็คือผมก็ ก, ก, ก็ดูแลหลวงพี่แล้วก็หลวงพี่ก็สอนให้ผมไป เดินจงกรมแต่ว่าหลวงพี่ก็บอกว่าให้เดินแบบสบายๆแต่ก็รู้ทันความคิดใช่ไหมครับอออพอคราวนี้ก็มีวันหนึ่งผมก็เช็ดอ่างล้างหน้าตอนเช้ามันก็สะอาดดีนะครับแต่พอมีญาติโยมองมามาเยี่ยมมาเยี่ยมหลวงพี่ก็พอดีวันนั้นคนเยอะเขาก็ใช้ห้องน้ำกันเยอะห้องน้ำก็เปียกพอตอนกลางคืนผมจะเข้ามาอาบน้าก็ ก็เกิดความรู้สึกว่าเราสาล้างมาตั้งนานนะก็ไอตอนที่รู้สึกตอนนั้นนะครับก็เห็นเห็นว่าเราเอาตัวตนไปใส่อยู่ในห้องน้ำแล้วทางกางที่ห้องน้ำก็ไม่ใช่ของเราก็ตกใจเดินกระโดดออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เดินไปถามลวงพี่ถ้าถ้ามันเห็นแบบไม่ได้เจตนาคิดนะก็ใช้ได้ไม่ต้องคิดเอาหรอก แต่่วาทําไมไม่ปิดป้ายไว้ห้องน้านี้เสงวนลิขสิทธิ์ก็ก็อแรกๆรก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันไม่อยากมีพอของของคุณหน้าจุดอ่อนเนี่ยคือการคิดนะยังคิดเยอะไปครพยายามรู้สึกอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้ไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึก ตอนนี้มันยังคิดเยอะอยู่มันคิดนำมากไปครับผมัมน้รู้ให้เยอะคิดน้อยนอยขอบคุณครับกลันะบน้ำมการหลวงพ่อนะครับเด็กเ ก, ก้าขวบใจแน่นไปหน่อยละอื่นอาดละยิ้มหวานๆซิหายไหมเออคกหายละใช้ได้นแน่นอีกแล้ว <laughs> เมื่อเดือนที่แล้วนะครับได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อที่ส่วนสัติธรรมนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าทัดขันแยกแล้วแต่ว่าผมก็เริ่มอยากที่จะมาเดินปัญญาต่อทีนี้เนี่ยมันมีคือคืนหนึ่งขับรถเนี่ยผมพยายามที่จะนาเรื่องที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าจิตมันคนละดวงทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อก่อนดูไม่เห็นว่าจิตคนละดวงแต่พอหลังจากนั้นจะเห็นว่าจิตมันไปแตะเรากลับแตะเรากลับ คือมันไปนแตกกลับแตกกลับแตกลแต ก, ลแตกลับตลอดใช่ครับผมทีนี้เนี่ยผมอะกลัวว่ามันเป็นการเดินปัญญาหรือยังหรือว่าเห็นใจรักหรือยังครับหลวงพอ่อเวลาที่เราเดินปัญญานะเราจะไม่เดินปัญญารวดไปเลยนะครับผมถ้าเดินปัญญารวดไปใจจะฟู้งไปครับผมงั้นเราควรจะแบ่งเวลาทําความสงบจิตใจทุกวันนะครับผมไม่งั้นของควรจะฟุ้งไปฟุ้งเก่ง ครับผมเปนจุดอ่อนนะฟุ้งสั้นครับแล้วก็ข้อที่สองเวลาทําสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อบอกคือมันฟุ้งจริงทีนี้เนี่ยเราฟุ้งเนี่ยมันมีมันมีตัวรู้อีกตัวครับหลวงพ่อมันมีจิตตัวคอยดูตัวคอยดูที่ผมฟุ้งไปเนี่ยผมก็แต่แปลกว่าพอมันดูทําไมมันไม่ตัดกลับมามันอะไรนะมันมันไม่ตัดกลับมาครับมันไม่วิ่งกลับมามันคอยดูอยู่อย่างนั้นครับอ๋ออย่าตามไปดูครับแล้วอย่าอย่าส่งจิตตามมันไปดูนะครับผม แค่ว่ามันฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านถ้าเราส่งตามไปดูเนี่ยเดี๋ยวดูตัวน้อนตัวนี้ตัวดูอยู่ตาหากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั้นไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วการที่ดูแตะเกินดับเกินดับเกินดับแบบเนี้ยครับอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าดูแค่นี้พอใช่ไหมครับก็ดูไปอย่างเงี้ยครพอแต่ว่าใจมันฟุ้งไปครับผมนะต้องใจต้องมีสมาธิสบายๆมากกว่านี้นะครับถึงจะดูได้ดีไม่งั้นดูไปแล้วมันมันไหลตามไปใช่ครับใช่ครับดูแล้วไหลตาม ครับแล้วก็ขอรบกวนหลวงพ่อข้อสุดท้ายครับคือผมทำงานแล้วก็ต้องทาธุรกิจทำอะไรไปเรื่อยนะครับตามชีวิตประจำวันีนี้ว่าการปฏิบัติภาวนาแบบนี้เนี่ยเพื่อจะอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่มีเวรมีกรรมเกี่ยวข้องกับเราเพียงพอไหมครับคือผมละทิ้งละทิ้งประเพณีพิธีกรรมไปค่อนข้างเยอะคือปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่ทราบว่าเพียงพอไหมครับหลวงพ่อปฏิบัติ แล้วมันก็เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะนะในเวลาเราปฏิบัติธรรมเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าผีบางตัวเป็นผีอนุรักษ์นิยมเห็นเราไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมอะไรนะมันก็รู้สึกมันไม่ได้กินอยู่นั่นเลยมีน้าผีหัวโบราณถ้าเป็นผีทันสมัยได้เคยเรียนรู้ว่าขาอุทิศ ส, ส่วนบุญได้ใจเบิกบานเป็นบุญนะอยากกินอะไรก็ในละมิต เ, เองดงนั้นผีเฉยเยมีนะ เราต้องทําดีหลายๆอย่างภาวนายอย่างเดียวไม่พอหรอกแล้วก็มีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับสุดท้ายครับหลอะไรนะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับอาจารย์ใจมันฟุ้งไปฟุ้งนะครับทำความสงบบ้างนะครับผมขอบคุณครับรับรับรับผ่อนนะยะถาวะริวาฮาปุราปริปูเรนติสาขลังเอวเมวายโตทินนางเปตานางอุปกะปฏิ อิชิตังปฏิตังภุมหังคิปะเมวาสมิชตุสพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถ า, ามนิโชติระโสยถ า, าสัพีติโยวิวัตชตุสภโรคโควินั ส, สตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีติคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโน จตาโรโหธรมาวัันติอายุวันโนสุขังปัลังสาธุหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านผู้จัดนะก็ อ, อนุโมทนาพวกเราทุกคนด้วยกที่เรามาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการทําบุญของเราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนที่ได้ฟังธรรมก็คือได้ทาบุญเสร็จเรียบร้อยเป็นบุญอันใหญ่เพราะว่าบุญใด ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่มากนะเป็นขั้นภาวนาดงนั้นต่อไปเราต้องพยายามต่อบุญที่เรามีอยู่แล้วที่เราได้เรียนได้ฟังเนี่ยเป็นบุญส่วนหนึ่งเราก็มาพัฒนาภาวนาของเราขึ้นไปอีกจนบุญเราเต็มวันหนึ่งเราก็บรรู้เข้าถึงฝั่งพ้นจากความทุกข์มันพ้นจริงๆนะภาคเพียรเข้าต้องทนเอาอดทนเอา มันไม่ใช่วันสองวันทําได้นะทํากันแรมเดือนแรมปีเวลาเราเรียนทางโลกเรียนตั้งยี่สิบปีเรียนหนังสือเรียนตั้งนานเรียนทางธรรมจะทําทวันสองวันจะไปได้อะไรอดทนทํากันไปเรื่อยๆวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้มาลืนนี้มันก็ต้องได้เท่าสองวันหนึ่งหละไม่ถอยสักอย่างห น, นะนึ่งนต้องสู้นะต้องพยายามต่อสู้ ให้สมกับที่เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วค่ะขอพวกเรากราบในวัศการหลวงพ่อพร้อมกันนะคะกราบ